นี่ระพินขอถามอีกครั้งเถอะเบลกล่าวขณะที่จ้องตาเขาคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าตัวคุณเองอ่ะเดี๋ยวนี้เรียบร้อยดีที่สุดแล้วน้ำเกลือถุงหลังน่ะหมดไปแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะคุณคุณควรจะรับน้ำเกลือต่อไปจนกว่าจะหมดถุงนะไม่จะเป็นหรอกเบรคุณเองก็ตรวจผมแล้วไม่ใช่เหรอตะกี้เนี้ยผมจะมานอนมานยา ใส่น้ำเกลือเสียเวลาอยู่ไม่ได้นะคุณเมื่อรู้สึกว่าค่อยยังชั่วหรือสางอาการขึ้นมาแล้วก็ต้องลุกขึ้นทันทีลองคิดดูดิถ้าผมยังสำ อ, อยนอนดูน้ำเกลือหยดทีละติง่งทีละติ่งอยูอก่กว่าจะหมดก็คงจะเย็นคํามและป่านนี้คือจะเป็นยังไงมั่งคุณคิดดูดิทุกคนนิ่งกันไปหมดขณะที่ระพินผู้เขาลุกขึ้นบิดกายอย่างเมื่อยขบจนกระดูกลั่นกรอบ แล้วบอกกระบุญคำให้คอยสังเกตตัวแท่งยาโดยมอบหน้าที่ดูแลคริสให้กระตาพรานเท่าผู้ถ่ายทอดรับวิชามาจากสังปลาไว้อย่างเต็มที่ตนเองมองสำรวจบริเวณปางพักทั้งหมดที่ตั้งกันอยู่ขณะนั้นเกิดเสยและจัน์ดูเหมือนจะพอรู้เรื่องคริสถูกไอ้หกขากัดและกำลังอยู่ในระหว่างใช้ ย, ยาของสังปลาดูดพิษอยู่ จึงค่อยๆทยอยกันเข้ามาดูเงียบๆด้วยอาการประหลาดใจมากกว่าจะตกใจอะไรนักเพราะแต่ละคนก็รู้ประสิทธิภาพของตัวยาววิเศษของสางปาดีอยู่แล้วรับฟินกินาหารเป็นมื้อแรกนับตั้งแต่นอกไปตั้งแต่เย็นวานและไม่มีอะไรตกถึงกระเพาะเลยนอกจากน้ำเกลือทางเส้นเลือดระหว่างนั้นทุกคนนั่งล้อมวงเฝ้าคริสตินาอยู่โดยมีบุญคำเป็นพ่อหมอ คอยสังเกตดูแท่งยาที่กำลังทำหน้าที่ดูดพิษร้ายอยู่เขาสัตย์สอบถามพวกนายจ้างว่าตลอดระยะเวลาที่ตนเองหมดสติไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในบริเวณแคมป์ที่พักอยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยดีหรือไม่ซึ่งพวกนั้นก็ช่วยกันบอกให้ทราบว่าเรียบร้อยราบคาบดีทุกอย่างพวกลูกหาทางานหาฟืนและตรวจตราอณาบริเวณซึ่งสงบดีที่สุด ไม่มีสัญญาณอันตรายใดๆแพร่ผ่านเข้ามาแล้วส่วนพวกนายจ้างก็นั่งปรึกษาหารือและพักผรนกันตามอัธยาศัยมีห่วงกังวลก็เฉพาะอาการป่วยของเขาเท่านั้นและตั้งใจกันไว้ว่าจะพักอยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะแข็งแรงดีที่สุดสักก่อนโดยไม่นึกว่าเขาจะฟื้นตัวได้เร็วเกินคาดหมายเช่นนี้แต่ทุกคนก็ยอมรับสารภาพว่า ภายหลังเมื่อคริสขอตัวงีบหลับไปแล้วไม่มีใครรู้สึกผิดสังเกตเข้าไปตรวจดูใกล้ชิดอีกเลยเพราะมองไม่เห็นว่าคริสจะตกอยู่ในไข่อันตรายเช่นใดเนื่องจากอยู่ในแคมป์พักอยู่ในสายตาตลอดต่างคอยพวงเพ่งความสนใจไปที่รพินเสียมากกว่าประมาณแค่ยีสิบนาทีเท่านั้นแทนยาที่ดูติดแผลคริสติน่าซึ่งมีรอยกรีดไวของรพินมันก็หลุดร่วงออกมา บุญคำรีบนำแท่งยานั้นลงไปแช่ในน้าทันทีทุกคนของฝ่ายในาใยจ้างเข้าไปรุมดูอีกครั้งด้วยความทึ่งสนใจยิ่งสักทักใหญ่ๆบุญคำก็นำมาแท่งยานั้นมาแตะกระแผลอีกครั้งซึ่งมันก็ดูติดอีกเช่นเคยจันเป็นคนเอาน้าไปเททิง้งแล้วเปลี่ยนน้ำอีกครั้งโดยจะถ่ายน้าทุกครั้งไปหญิงจะหมดห่วงได้แล้วลวมะมั้ง ย้อมพานบอกกับทุกคนจุดบุรีสูบเป็นตัวแรกแล้วยืนขึ้นอีกครั้งจะเฝ้าดูไปเรื่อยๆก็ได้นะในระหว่างพวกคุณและจะเห็นว่าตัวยาของฝ่ายผมนะ่ะสัติ์จริงเหมือนเช่นที่บอกไว้หรือไม่สำหรับผมขอตัวสักครู่นะึงจะทิ้งให้บุญคำกระจันคอยทำหน้าที่ดูแลจนกว่าจะเรียบร้อยดีที่สุดกล่าวจบเขาก็ผลกเดินตรงไปที่พวกลูกหาทั้งหลาย สอบถามผู้จ้าอะไรกับคนเหล่านั้นพักใหญ่โดยมีเกิดกระเสยตามติดไปด้วยทิ้งให้ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดและเชิดบุตรก่อยเฝ้าดูอาการของคริสติน่าอันมีบุญคำเป็นหมอและจันเป็นผู้ช่วยเนี่ยเมื่อคืนมีการอยู่ยามเวยนยามกันหรือเปล่ารพินกระซิบถามคนของเขาอันเป็นพรานเด็กหนุ่มทั้งสอง ก็ปลัดกันอยู่ตลอดคืนละนายเกิดเสย์นัดจันแล้วก็ลุงคำคนละสามชั่วโมงมีพวกลูกหาบอีกเว้นละหนึ่งคนพวกเราไม่ประมาทหรอกนายยิ่งนายไม่สบายหนักอยู่ด้วยเมื่อคืนก็ยิ่งต้องระวังมากขึ้นไปอีกเกิดเป็นคนตอบและมีอะไรไม่ชอบมาพากล ม, มั่งไหมโดยเฉพาะวีแววของไอ้ผีดิบพวกนั้นอะไม่มีานายมันไม่เดืลูไมห่ห็น หรือมีอะไรมากระตุกกระตากสักนิดนึ่งก็แปลกนะนายมันไม่ป้วนเปลี่ยนเข้ามาบริเวณนี้เลยตอนเช้าพวกเราออกไปตรวจดูรอบๆ บ, บริเวณปางพักก็ไม่เห็นพวกมันเฉียดใกล้เข้ามาแม้แต่ตัวเดียวมีก็แต่งูเห่าเท่านั้นแหละเมื่อเช้าก็ขึ้นไปนอนขดชูคออยู่บนหน้าอกนัดจันลุงคำจะเอาปืนเด็ดหูมละแต่นึกถึงคาของนายได้ที่แม่ทาอะไรพวกมัน ก็เลยยืนดูอยู่เฉยๆนาจันนี้นอนตัวแข็งเลยไม่กล้ากระดิกแต่สักกระเดียวเดียวมันก็เลือยลงจากอกกระเฉยๆหายไปในซอกขินเสรยรายงานและสัตว์สีเทาอื่นๆละ่ะทั้งสองพรานเด็กหนุ่มสั่นหัวไม่มีนไรไม่มีแม้แต่รอยรรบพินพยักหน้าไม่กล่าวว่าอะไรตรงเข้าไปหรือค้นที่ย่ามหลังของตน ทั้งสองรันเด็กหนุ่มเดินตามเข้าไปด้วยแมมคริสถูกไอ ห, หกขานั่นกัดรู้น่าจะหารูรังของมันลากตัวขึ้นมากระทึบใไปแหลกนะนายเสรยเอ่ยมาอีกนี่อย่าไปสนใจกับมันเลยมันคงจะอาศัยอยู่ตามซอกโพรงหินแถวๆที่แม่มคริสนอนพักนั่นแหละเราช่วยแมมไว้ได้ก็ดีแล้วอย่าไปคิดจองเวรอะไรอีกเลย คืนนี้ควรให้พวกนั้นขยับย้ายที่พักออกให้ห่างหมู่หินบริเวณนั้นออกไปอีกหน่อยถึงมันจะไม่ใช่ ง, งูมันก็เป็นบริวารปลายแถวของพญานาคนั่นแหละคงจะมาหยอกเล่นลองวิชาพวกเราใช่มากกว่าที่คิดจะเอาใครให้ถึงตายเพราะอย่างน้อยฉันก็ลุกขึ้นมาทันแล้วก็ไปพบเขาพอดีแล้นายสบายดีแน่เรยทั้งสองถามขึ้นพร้อมกันอืฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะ เหมือนคนพ้นเคราะห์ไปช่วขณะถ้าไม่ติดแม่มคริสก็อยากจะออกเดินทางครึ่งหลังของวันนี้ซะเลยแต่นี่ก็ต้องเปิดโอกาสให้แม่มคริสก็พักบ้างระหว่างพวกเราใครเป็นคนอยู่ยามตอนใกล้หัรุ่งเกิดหนึ่งในจำนวนสองบอกกับเขาฉันว่าฉันหลับไปตลอดทั้งคืนนะต่ได้ยินแม่มผมแดงพู้กันในห้างบอกว่าตอนใกล้รุ่ง ฉันอาลวาดเลยเกิดมองดูหน้าเขาแล้วยิ้มไม่สนิทนะักตอนนั้นนายก็ดิ้นทุรนทุรายใหญ่นายเพ้อเรียกหานายหญิงไม่ขาดปากเกิดแล่นก็ไปดูเหมือนกันอะตอนนั้นเห็นแม่มคริสกอดนายไว้แน่นแล้วพูดอะไรกันนายก็ไม่รู้เกิดฟังไม่ออกพูดอยู่ริมหูนายนั่นแหละพักใหญ่ทีเดียวนายถึงค่อยสงบไปได้ แมมคริสก็ดีกับนายมากนะนายไม่ยอมนอนตั้งแต่นายเริ่มอลาละวาดเอาหัวนายนอนพาดตากไว้คอยลูปหน้าให้นายตลอดเวลาไอพวกนายฝรั่งทุกคนกับนายทหารเชริดบุตรนะ่ะนอนหลับหมดละแมมคริสให้เกิดกับอุทาสองคนสูงไฟไว้รอบๆตัวนายเพราตอนนั้นน่ะนายนอนนะสั่นเป็นลูกนกเลยแล้วเกิดก็หัวรอ้อฮือ เโงกหน้ามากระซิบกับเขาแม่หมอนั่งก็ดีอยู่รอกนายแตตอนหัวค่ำเท่ า, ทานั้นแหละที่ดูแลนายอยู่พอตกดึกก็แอบไปเล่นจำจี้มาเขือเปล่ะหลังก้อนหินใหญ่ตรงที่พักนอนกับนายห่างคิดลุงคําก็ย่องไปแอบดูบอกว่าก้อนหินแะพังเสร็จแล้วจุมมือกันมานอนหลับเป็นตายเลย นายทหารเชิดบุตรกันในห้างบอ๊อบหลับปุ๋ยเหมือนโดนยาเลยนายนพินฟังลูกน้องเขาสาธยายเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างไม่เอาใจใส่นักโดยเฉพาะเรื่องไม่เป็นเรื่องที่เกิดเล่าตันท้ายๆเ อ, อมันเรื่องของเขาอยาไปสนใจอะไรเลยแล้วก็ควรจะหาโอกาสบอกตะคำด้วยอย่าเสือกไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องส่วนตัวพวกเจ้านายทั้งหลายคนนักถ้าลืมไม่เข้าเรื่องตลอดการไม่ช้าก็เร็วอะ คงถูกไอ้เจ้าขี้นัน่งกระทืบไว้อีกอะหรือใหม่กับแมมเบ้ลก็ลูกบึงเจาะลู ก, กตาข้าที่เป็นนักแอ บ, บดูเก่ง น, นะแก่แล้วไม่อยู่ตามภาษาแก่ระพินฟังลูกน้องเขาสาทยายเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างไม่เอาใจใส่นักโดยเฉพาะเรื่องไม่เป็นเรื่องที่เกิดเล่าตอนท้ายๆมันเรื่องของเขาอย่าไปสนใจอะไรเลยแล้วก็ควรจะหาโอกาสบอกตะคําด้วย ว่าอย่าเสือกไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องส่วนตัวพวกเจ้านายทั้งหลายคนนักถ้าลึมไม่เข้าเรื่องตลอดการไม่ช้าก็เร็วของถูกไเจ้าคิดนัก่กระทืบเอาอีกหรือไม่แ ม, ม่เบงก็เอาลูกบือเจาะลู ก, กตาข้าที่เป็นนักแอ บ, บดูเก่งนักแก่แล้วมาอยู่ตามประษาะแก่กล่าวจบเขาก็คว้าได้อัฐบริหารสาหรับการอาบน้าชาระกายหอบขึ้นมาถือไว้คว้าไรเฟ้นยืนขึ้นบอกพวกนั้นต่อไปว่า นี่ถ้าพวกนั้นถามบอกว่าฉันจะลงไปแถวริมบึงหน่อยแลเดี๋ยวจะขึ้นมาบอกพวกเขาด้วยว่าไม่ต้องหวง่วงครับและนายสองคนก็ทํางานเตรียมหูงหายอยู่บนนี้แหละคืนนี้จะยังไงเสียเราก็เห็นจะต้องพักอยู่ที่นี่คืนแน่แล้วระหว่างที่เขาก้าวออกเดินฉับฉับเลาะลัดแง่โขดหินไปเสียงเสยร้องถามมาด้วยความเป็นห่วงว่านายนายไม่เป็นไรแน่นะ่ะ ประเดี๋ยวเป็นลมเป็นลมอยู่แถวแถวแอ่งน้ําอีกยังไงให้เกิดเ ป, เป็นเพื่อนสักคนยังดีนะจอมพรานโบกมือไม่ปล้องไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เชื่อว่าคงไม่เป็นอย่างเมื่อวานนี่แล้วละ่ะพรานใหญ่ลับหายไปจากสายตาของพวกลูกหากและพรานพื้นเมืองเด็กหนุ่มทั้งสองของเขาอย่างรวดเร็วจุดหมายที่บายหน้าลงไปก็คือบริเวณแอ่งน้ําในป่าเฟิน ตำแหน่งเดิมที่มาล้มพับอยู่นั่นเองก่อนอื่นตรงไปยังโขดหินที่ได้คล้องมาไล่ดอกไม้ป่าอันตนเองทําเป็นมงกุฎไพรสวมไว้ยังยอดหินก้อนนั้นเห็นมันยังประดับอยู่ที่เดิมในลักษณะที่สดชื่นเหมือนเดิมโดยไม่มีริ้วรอยว่าจะเหี่ยวเฉาไปเลยยืนสงบนิ่งพินิษดูมัน เหมือนจะเพ่งหินก้อนนั้นให้กลายเป็นใบหน้าของดารินวราฤทธิ์ให้ได้แล้วก็มองหินเป็นภาพใบหน้าของแม่ดอกฟ้ายอดรักของเขาลอยเด่นซ้อนภาพของหินที่คล้องมาไหลวงนั้นไว้จริงๆหรืออย่างน้อยก็จริงในสายตาเฉพาะตัวมงกุฎไพรสวมอยู่บนศรีรษะของหล่อน ดวงตาทั้งคู่แลประสานมาด้วยหยาดน้ําตาที่คลอซึมยิ่งเพ่งก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทุกขณะแต่พอเอื้อมือไปแตะมันก็กลายเป็นก้อนหินไปตามเดิมสงบนิ่งยืนจ้องต่อไปก็ค่อยๆกลายเป็นดวงหน้าของดารินขึ้นอีกสลับกันอยู่เช่นนั้นจิตกลางคณาง เขาทดลองเรียกนามนั้นขึ้นแผ่วเบาอัคนิรุธเสียงแผ่วเว้ยแววมาระพินหมึนงงไม่เคยได้ยินนามนี้มาก่อนเลยและทุกครั้งที่เอ่ยกระซิบเรียกนามจิตรางขนางภาพนั้นก็จะตอบสัมนวนออกมาว่าอัคนีรุธทุกครั้งไป เขาจะบ้าไปแล้วเหรอผีป่าหรือผู้พลายอะไรเข้ามายาวหยอกเล่นกรมะมังแต่ก็อยากจะลองดูให้มันถึงที่สุดเหมือนกันอคคนิรุธเหรอใครกันก็ท่านนั่นแหละเป็นเสียงสวนตอบกลับมาอีกทันควันในจิตประสาทส่วนลึก มันไรเหรอคราวนี้เขาเอ่ยนามขึ้นใหม่ภาพของใบหน้านั้นใสช้าชอยยาอย่าเอ่ยนามของพ่อมดกาลีตนนั้นมันคือศัตรูของเราและท่านร่วมกันระพินไม่อาจเข้าใจอะไรได้ทั้งสิ้น หรือจะรู้ก็รู้ประการเดียวว่าขนะดนี้เขากำลังตกอยู่ในแดนสนธยาแห่งดวงจิตของตนเองผมไม่ใช่อัคณีรุษแต่ผมคือระพินไพยวันก็ถ้าเช่นนั้นฉันก็คือดารินวราฤทธิ์ฉันไม่ใช่จิตรางขนาด คุณหญิงจ๋านี่คุณหญิงอยู่ที่ไหนนี่อยู่กลางดวงใจของคุณไงคุณหญิงครับงานเสร็จผมจะรีบกลับไปหาดวงใจของผมนะครับรอผมด้วยนะครับจะงานเสร็จหรือไม่เสร็จ ฉันก็จะติดตามคุณไปจนกว่าจะพบรอฉันด้วยนะระพินระพินไพรวันสะบัดหน้าแรงๆยกมือขยี้ตาแล้วจ้องมองดูก้อนหินลักษณะเหมือนศีรษะสตรีที่มีมงกุฎไพรของเขาสวมประดับอยู่อีกครั้งมันกลายเป็นหินไปตามเดิมเสแล้ว สำเนียกว่ามีเสียงหัวเราะทุ้มลึกดังมาจากเบื้องหลังไปน้ามากนี้ผู้กองเราเขาหันกลับมาไม่มีอะไรสักอย่างผู้มีประเทศรอบด้านปาเปล่าเปลียวอ้างว้างท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามมีตัวเองยือนอยู่ตามลำพังโดดเดี่ยว ขอฉันเห็นเงาแกสักนิดแง่ายสำหรับเดี๋ยวนี้เขาพึพมพำออกมาเหมือนจะพูดกับใครสักคนหนึ่งที่เล่นซ่อนหาอยู่ใกล้ๆตัวพูดบ้าสิผู้กองกลางวันแสกๆแดด เ, รเปรี่ยงอย่างเงี้ยใจผมโผล่มาได้ยังไงเป็นคำตอบที่มาจากเบื้องหลังย้ายทิศทางองีก พรานใหญ่ ย, ยืนซึมนิ่งต่อมาก็มีเสียงทุ้มกลงวานเตือนมาอีกนี่ผู้กองยังวัวแต่เสียเวลารำพึงรำพันฝันรักอยู่เลยจะทำอะไรก็ทำกันไปเถอะผู้กองภาระหน้าที่ยังมีอยู่อีกมากมายนักนะสาวน้อยจากบาดาลเขาให้แรงให้ฤทธิ์กลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วเป็นโอกาสอันดีที่สุด หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วก็ไม่เล้วอยู่รกจีบลูกสาวพญายนาคจนได้ประโยชน์ตีตอนไปแตะอังกอดเขาฟรีนี่ไม่ค่อยจะเข้าท่าอยู่นะผู้กองดีเท่าไหร่แล้วที่แม่เจ้าประคุ้นเธอไม่เอาลงบาดาลไปเสด้วยนะอ๋อนี่แกเห็นหมดทุกอย่างสิอ้าวทาไมเห็นก็ไม่ทันผู้กองไปหมดทุกฝีก้าว ก็ไม่ใช่แงาสายนะสิจริงไหมเงสายครับพงฉันไม่เข้าใจคำว่าอัคนิรุธนะอ้าวก็อย่างที่แม่สาวน้อยจากบาดาลผู้นั้นบอกไว้นั่นแหละผู้ก้องสักวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าสร้างสมาธิตัวเองให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ จนเกิดชานสมาบัติชั้นสูงแล้วข้อสงสัยหรือคำถามทั้งหลายก็จะเฉลยได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครบอกรอกอาบน้าอาด่าล้างเนื้อล้างตัวให้ชุ่มชืนสบายกายสบายใจซะจะได้เตรียมแก้ปัญหาต่อไปเออนี่ไงทรายเมื่อกี้นี้ฉันมองเห็นนายหญิงที่หินก้อนนี้โอ้เล้วไหล ลวเมอเพอพกไปเองอ่ะดิสร้างมนโนภาพขึ้นมาเองตามรส า, าคนคลั่งรักและกำลังจะเฉาตายเพราะรักและเสียงแกที่ฉันได้ยิงอยู่นี่แหละก็ทำนองเดียวกันน่ะแหละผู้กองอนุสติฝังลึกอยู่ภายในจิตใต้สานึกของตัวเองอยังไงละผู้กองนี่แปลว่าฉันกำลังบ้าไปจริงๆเนี่ยเงาทาย ก็แค่เฉียดเฉียดเท่านั้นแหละแล้วจะแก้หายได้ยังไงละ่ะแงซายอ้าวก็เลิกคิดถึงผมเลิกคิดถึงนายหญิงสิมันก็หายไปเองแหละนี่ไงสายสาบานนะว่าฉันได้ยินเสียงของแกอยู่เต็มสองรูหูนี่อ้าวผู้กองคิดถึงผม ก็จะเห็นภาพหรือได้ยินเสียงผมคิดถึงนายหญิงก็จะได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพนายหญิงเดินทางมาในครั้งนี้เนะ่ยผู้กองนะ่ะมีวิตกจริตแล้วก็นิวรมากใช้สติปัญญาเข้าไตรตรองและขจิตขจัดที่จยามใดที่รู้สึกตัวว่าสติจะไม่อยู่กับร่องกระรอยก็ตั้งพุทธ โทนุสติเข้าไว้กําลังกายกลับคืนมาละกําลังใจก็ควรจะเข้มแข็งเหมือนเดิมดินี่มาคราวนี้ไม่เหมือนราพินคนเดิมเลยนะรู้ไว้ซะด้วยเออจริงของแกขอบใจมากที่เตือให้รู้ตัวเขารำพึงกับตนเองรวบรวมกําลังใจให้แน่วแน่มั่นคงอีกครั้งแล้วผละออกจากขินที่สวมคล้องมาไลย อันทาเป็นรูปมงกุฎไพรไว้นั้นเดินตรงไปที่แอ่งน้ำทันทีจัด ก, การพลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำชำระร่างกายอีกครั้งในสมองขจัดสิ่งอื่นออกไปหมดสิ้นเริ่มกำหนดวางแผนการเดินทางต่อไปอย่างเงียบๆขณะที่ใช้ผ้าเช็ดมาผ้าขามาซับเช็ดตัวอยู่นั่นเอง เสียงวิทยุมือถือประจำตัวที่ติดมาด้วยก็มีสัญญาณดังเรียกทีๆขึ้นเสียงเรียกของมันก็ปกติธรรมดานั่นแหละแต่บางสิ่งบางอย่างมันทำให้เขารู้สึกว่าน่าจะมีอะไรเร่งด่วนผิดสังเกตไปก้มลงคว้าขึ้นเปิดสวิตต์โอเคได้ยินเสียงแล้วครับเขากรอกคำพูดลงไปเบาๆระพินขึ้นมาที่นี่ด่วนเถอะ เป็นเสียงสั้นๆของหัวหนาคณะซึ่งแฝงเอาความกระวนกระวายใจไว้เต็มเปลี่ยนครับกำลังจะขึ้นเดี๋ยวนี้ครับแต่ผมทราบทางวิทยุ ก, ก่อนได้ไหมว่ามีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าอาการของคริสไงคุณไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นอย่างที่คุณบอกไว้แพงยาดูดติดแล้วก็ร่วงไปสามรอบแล้วจักเวลาอยู่หนึ่งชั่วโมงเศษก็ไปแล้วนะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยตัวเย็นชืด ชีพจรเต้นช้าไปทุกขณะเสียงบอกมาอย่างเร่งด่วนฮะราพินอุทานลั่นออกมาอย่างลืมตัวแล้วพูดต่อไปอย่างเร็วรือขอผมพูดกระบุนคำหน่อยครับเพียงแค่ขาดคำก็มีเสียงของตาพรานเท่าดังลั่นมาเป็นภาษากะเรียงกันไม่ให้พวกเจ้านายฟังออกว่านาย ผิดฟ้าผิดตัวหรือผิดสูตรอะไรใช้แล้วล่ะตามปกติแท่งยาดูดพิษหลุดไปสามครั้งแบบเนี้แมมคริสจะต้องรู้สึกตัวแล้วแต่นี่แกยังสลบอยู่ตัวค่อยๆเย็นลงไปเรื่อยๆหน้าก็ยังขาวเป็นกระดาษอยู่เงี้ยมันผิดไปจากที่เราหวังไว้นานนัยแล้วตอนนี้ยายังดูดติดแผลอยู่รึเปล่ารู้ว่าไม่ดูดแล้วก็ยังดูดติดเด่นหนอยู่ยังเดิมนั่นแหละ แต่มันผิดไปจากที่เราเคยใช้อ่ะนายระพินถือวิทยุตะลึงไปชั่วขณะพูดอะไรไม่ออกทุกคนโปรดทราบครับผมจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้ครับจอมพลันเปลี่ยนลิ้นมาเป็นภาษาเมริกัน ท, ทันทีเพื่อให้ทุกคนข้างบนฟังเข้าใจแล้วตาลีตาเลือกสวมเสื้อผ้าโดยเร็วที่สุดวิ่งกลับขึ้นไปตามทางที่ลากขึ้นสู่แคมป์พัก ท, ทันทีจิตใจไม่อยู่กับเนื้อ ก, กับตัว เสียงคำพูดของอิซาเบลก้องอยู่ในหูตลอดเวลาคุณจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคริสคุณจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคริสขณะเดียวกันก็เหมือนมีเสียงของแง่ายมากระซิบอยู่ข้างหูใครครวนรีตรองให้ดีอย่าตื่นเต้นเกินไปนักตั้งพุโทโธนุสติ แล้วก็ใช้ปัญญาเรียกความทรงจำเดิมๆ เ, เกี่ยวกับไอ้หกขาชนิดนั้นผู้กองเคยช่วยชีวิตผมมันแล้วเท่าเ่ากับที่ผมก็เคยช่วยชีวิตผู้กองจากมาแมรลงรายชนิดเดียวกันแต่ที่แน่แน่ก็คือพลาดแม้แต่นิดเดียวคริสติน่าจะไม่ฟื้นอีกแล้ว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 กับสแตนลีคิดอิสเบรและเชิร์บุธเท่านั้นซึ่งทั้งกลุ่มนั้นแต่ละคนอยู่ในสภาพกระวนกระวายใจมองปราดไปยังแม่ผมทองผู้เคราะไายระพิงกัดริมฝีปากนิ่งหลอนยังนอนหลับสลบนิ่งอยู่เช่นนั้นอาการที่คิดว่าควรจะดีขึ้นกลับเร็วลงจากสีหน้าที่ขาวเผื้อบัดนี้เริ่มจะ ก, กลายเป็นสีเขียวคล้ำหลงแล้ว ฝ่ายนายจ้างทุกคนจ้องจับมาที่เขาเป็นตาเดียวโดวยเฉพาะอิซาเบลประคองศีสะของแม่เพื่อนสาวผมทองขึ้นเหมือนใจเขามองเห็นสีหน้าได้ถนัดเดี๋ยวครับจะเย็นๆว่าไม่เป็นไรหรอกปากเขาพูดเรียบๆออกไปก่อนแต่ในใจนาะร้อนรุ่งไม่ผิดอะไรกับพวกนั้นเลยชำเลืยงไปทางพรานอาวุโสคู่ใจทั้งสองซึ่งทำหน้าที่เป็นพ่อหมออยู่ เห็นหน้าจอหเป็นลิงที่กำลังจะตกเป็นเหยื่อเสือเอื้อมมือไปแตะที่แขนของคริสติน่าสัมผัสได้กับความเย็นชืดแม้ว่าร่างกายยังอ่อนตัวได้อยู่อาการหายใจแทบจะไม่เหลือร่องรอยให้เห็นเปลือกตาและขอบตาล่างเขียวคล้ำมองเห็นถนัดเพราะความผิวขาวแกนถ้าแท่ยาหลุดก็เอาแช่น้ำให้มันคายพิษ แล้วเอามาแตะปิดต่อไปนะเขาแซงสั่งความไปทางจันพยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติที่สุดแต่สะกิดไหลบุญคำพยักหน้าเป็นสัญญาณพร้อมกับบอกไปทางกลุ่มนายจ้างว่าขอเวลาผมปรึกษาอะไรากับบุญคำสักสองสานาทีนะครับสัญญาของผมที่ให้ไว้กระเบนยังคงเดิมครับถ้าแก้คริสไม่ฟื้นยอมให้ตัดคอแต่ตอนนี้ขอเวลานอกสักนิด เฉพาะผมกับบุญคำเท่านั้นครับสแตนลีย์คีิและเชิดบุตรเงียบกริบแต่เบนร้องบอกมาว่ารัพพินฉันจะฆ่าคุณถ้าคริสถึงแต่ชีวิตในครั้งนี้ครับตกลงครับไม่มีข้อแม้ครับเขาบอกไปยิ้มยิ้มอันเป็นโรงข้ามกับความรู้สึกภายในโดยสิ้นเชิงมองสบดตาบุญคำอีกครั้ง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 เอบากแผลดีอยู่ น, น่นายแต่ทำไมอาการของแม่มคริสไม่ดีขึ้นเลยแต่เท่ากระซิบย่างร้อนใจขีดสุดทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ระพินเอาข้อนิ้วขยี้ปลายจมูกแรงๆมันก็แปลกมากนะบุญคำอาจมีอะไรที่เราหลงลืมไปก็ได้ทั้งฉันและบุญคำโดยเฉพาะฉันเองก็เพิ่งฟื้นไข้ขึ้นมา สมองมันยังไม่ปลอดโปร่งนะักเอางี้บุญคานั่งสงบจิตบริกรรมตรงนั้นนะฉันจะนั่งตรงนี้บางทีมันอาจจะช่วยเราคิดอะไรขึ้นมาก็ได้เขาตบไหลยพรานคู่ใจจอมหมอผีเจ้าแห่งไสยศาสตร์อีกครั้งและตนเองก็สุดกายลงนั่งทัดสมาพิหลับตานิ่งยืดกายตรงส่วนบุญคาก็ถอยห่างไปนั่งพนมมือบูชาครูของแกอยู่ใกล้ๆอีกด้านหนึง่ง หันหน้าไปคนละทางกันบุญคำจะภาวนาท่องคาถาบูชาครูของแกไปยังไงเขาไม่สนใจและไม่อาจจะทราบได้แต่ตนเองบริกรรมแก้อาถานต่างๆที่กำลังครอบคลุมอยู่ในขณะนี้โดยยึดหลักของพระพุทธคุณเป็นที่พึ่งในทันทีสารังเทติทะสัตตานัง สาเรติอมตังปรตทังสารถิวิยะสาเรติสารทันตังนมามีหังพระองค์ทรงประธานสารธรรมแก่สัตว์พระองค์ยังสัตว์ให้แล่น ไปสู่ทางอมตะพระองค์ยังสัตว์ให้แล่นไปดุจสารถีพระองค์ทรงฝึกฝนในธรรมเป็นสาระข้าขอนมัตสการเพียงแค่สามข้าบเท่านั้น แสงสว่างเรืองรองของหน้ากะเทวีก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าอีกครั้งคราวนี้ลอยอยู่เหนือศีรษะของเขาห่างออกไปประมาณสามวาสิทนางโครงศีรษะช้าๆจุปากเบาๆเห็นไหมไหนที่สุดก็เรียกฉันมาอีกจนได้นั่นแหละพอคนปากถือศีลแต่มือถือปืน ผมไม่ได้เรียกคุณนะครับผมภาวนาสวดมนต์แก้อาถรรพ์ที่มันเล่นงานผมอยู่ในขณะนี้ตหากมันก็ไอเหมือนกันนั่นแหละใครจะแก้อาถรรพ์ให้แก่คุณได้ถ้าไม่ใช่ฉันในเมื่อสัตว์ที่มีน้ำพิษทุกประเภทมันก็ล้วนแล้วแต่บริวารของฉันทางนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นงูโดยตรงหรอก ทั้งหลายแหล่มันก็มาจากความสะเพร่าขี้หลงขี้ลืมของกุ้งเองแต่แท้ผมลืมอะไรไปลรคนสวยนี่นี่ระวังวาจาของคุณหน่อยดีด้วยและอย่าลำปามข้าพระองค์ลืมอะไรไปพระเจ้าค้ามันสัต์ไม่ต้องมันเป็นทางการถึงขนาดนั้นหรอกคุณรบพิน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 เนี่ยตอนนี้ผมคิดอะไรไม่ออกทั้งนั้นแหละรู้อย่างเดียว่ะคุณกำลังจะเอาชีวิตของหญิงผมทองคนนั้นไปทั้งๆ ท, ท, ที่ผมก็ขอไว้แล้วโอ้ยฉันก็เพียงแต่แค่ลองของสร้างปัญหาไว้คุณแก้เล่นๆสนุกสนุกเท่านั้นนี่นาคีขอรับคุณเป็นนาคีนะขอรับ จะมาลองของอะไรกับมนุษย์เดินดินอันต่ำต้อยอย่างกระผมแล้วขอรับอ้าวก็เก่งนักไม่ใช่หรอมันก็ไม่เก่งจริง่ะสิยักสารภาพมันส่อย่างนี้ก็ดีจะเตือนความทรงจำให้พิษของแมงมุมหกขา่ะจะถูกถอดถอนออกไปได้ก็ต่อเมื่อใช้พิษของมันน่ะแหละ เข้ามาเป็นตัวยาผาสมกับสมุนไพรชนิดนั้นด้วยไม่ใช่ใช้ตัวยาเฉพาะเฉยเฉยนึกออกอยังคนของคุณก็เคยโดนมาก่อนซ้ําตัวเองก็เคยโดนมาแล้วเหมือนกันเอาตัวยาไปแช่น้ําแล้วแตะติดแผลไว้เฉยเฉยยางงั้นเหรอเจ้าของยาก็สอนไว้ยังไงทําไมไม่รู้จักจําโอ้ตายละผมเพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เอง ขี้หลงขี้ลืมพอกันทั้งเบาวทั้งนายแล้วนี่ผมจะไปหาไอ้หกขาบริวารของคุณได้ที่ไหนมันกัดแล้วมันก็หนีหายไปค้นหาที่อยู่ก็ไม่พบแล้วถ้าจะมัวแต่ค้นหาอยู่ก็ไม่ทำการแล้วพลิกก้อนหินค้นหาไหวที่ไหนละคุณอ๋อฉันจะเรียกเองแต่สัญญาก่อนนะว่าจะไม่ทำอันตรายมันถ้าได้พิ จ, จักมันแล้วก็ปล่อยมันไปซะ ไม่ต้องเอาตัวมันไปให้มนุษย์พวกคุณคนใดคนหนึ่งเห็นนอกครับผมตกลงให้สัญญาครับอ่ะงั้นก็ลืมตาขึ้นมาดิมันคลานอยู่ตรงหน้าคุณขนาดนี้ละจบคำนางก็สลายร่างเลือนหายไปอย่างเคยรพินไพรวันเบิกตาโพลงขึ้นในทันทีไอหกขาตัวหนึ่งคลานแช่มช้าอยู่บนพื้นหินเบื้องหน้าเขา ห่างออกไปเพียงแค่เอื้อมเท่านั้นเสันชาตยานระวังภัยครั้งแรกทำให้เขาเกือบพังหงะด้วยความตกใจแต่แล้วก็คุมสติไว้ได้ใช้ผ้าขาวมาทบกั น, น, นหนาๆทันมือไว้แล้วเอื้อ ม, มือไปค่อยๆจ้องตะครุบหมัดจับขึ้นมาได้มันก็เป็นเวลาเดียวกับที่บุญคำลืมตาขึ้นแทบจะพร้อมๆกับที่เขากระโดดผุ่งขึ้นมา นายได้ไอตัวหกขาเลยใช่ไหมถึงจะนั่งหลับตาอยู่บุญคำก็เห็นต่เห็นอย่างเดียวกับ น, นายเห็นนั่นแหละอย่เ อ, อะบ่บุญคำเขากระซิบพยายามจับตัวแมงมุมมีพิษประหลาดชนิดนั้นไว้ในอุ้งมือชนิดประคองไม่ให้บีบมันแรงนักชูขึ้นดูเร็วๆไปเอาอะไราสักอย่างมาก็ได้มาใส่พิษมันเดี๋ยวนี้ แล้วไม่ต้องให้ใครตามเข้ามาด้วยเป็นอันขาดนะเราขาดตัวยาสําคัญคือพิษของมันนี่แหละคริสติน่าถึงไม่ฟื้นไงตอนนี้เราก็ได้มาแล้วรวดเร็วทันการสมกับที่ทํางานร่วมกันรู้ใจกันมานานบุญคาเพนไปในทันทีไม่ถึงอึดใจก็แล่นกลับมาพร้อมกับจานพลาสติกเล็กๆนํามาส่งให้เขาทันทีระพินก็ไม่รอช้าเหมือนกันจับตัวมันซึ่งบัตรนี้ดูจะไม่มีริดเดต หรือพยายามจะคิดดินรนต่อสู้อะไรเลยยื่นบริเวณเขี้ยวตรงปากเหมือนเขี้ยวตะขาดเข้าไปที่จานเล็กๆใบนั้นด้วยลักษณะการอันประหลาดที่สุดมันหดบิดตัวเองและน้ำเข้มข้นสีดำสนิทราวกหมึกก็หยดออกมาจากเขี้ยวแหลมทั้งสองข้างเป็นการคายน้ำพิษออกมาให้เองโดยไม่ต้องบีบบังคับใดๆทั้งสิ้นนอกจาก ตัวมันไว้เฉยๆเท่านั้นปริมาณของน้ําพิษที่มันบิดตัวคายออกมาให้นั้นประมาณสองซีซีแล้วก็หมดสิน้นไม่มีจะหยดออกมาอีกต่อไประพินส่งจานน้ําพิษนั้นให้บุญคําพร้อมกระบอกเร็วปรือเร็วบุญคํารีบออกไปถอดแท่งยาออกจากแผลจิ้มปลายแท่งยาลงกับน้ําพิษนี่นะแล้วแปะติดเข้าไปกับแผลของแมมคริสอีกครั้งใครจะถามยังไงก็ไม่ต้องบอกอะไรทั้งนั้นแหละ บอกไว้รอถามชั้นเอาเองเดี๋ยวฉันจะตามเข้าไปบุญคำนำจานบรรจุน้ำพิษนั้นเผ่นอ้าวไปทันทีระพินค่อยๆบรรจงวางไอ้หกขาลงกับพื้นอย่างทะนุถนอมบอกกัมมันว่าไปเจ้าไปตามทางของเจ้าได้แล้วแล้วคืนนี้ก็อย่าได้มาก่อกวนสร้างปัญหาอะไรให้กับคนของแค่อีกนะเราไม่มีเวรมีกรรมต่อกันแล้วขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถอะนะ แมงประหลาดลักษณะหน้าสะึงกลัวมีขาหกขาเต็มไปด้วยขนอุยทั่วไปหมดนั้นคลานงุ่ม ง, ง่ามช้าช้าจากตำแหน่งที่เขาวางมันลงแล้วเร้นตัวหายเข้าไปในซอกหินใกล้ๆนั่นเองเป็นการพบกันด้วยดีและก็จากกันด้วยดีพอแน่ใจว่ามันรับหายซ่อนเร้นตัวเข้าไปใต้ก้อนหินชนิดที่จะไม่ทิ้งร่องรอยให้ใครค้นพบอีกแล้ว ท่านใหญ่ก็ถอนใจเฮือเดินช้าๆกลับมาอย่างคณะนายจ้างซึ่งคงนั่งล้อมวงคริสพูดอะไรกันเจอกแจ๊กเหล่านั้นอีกครั้งพระพิญยังไม่ตอบปัญหาใครทั้งสิ่งแลไปก็เห็นบุญคำจัดการนำอาอกแท่งยาของสางปากันน้ำพิษแตะติดเข้าไปกับบาดแผลของคริสแล้วซึ่งมันก็ดีดูดติดตั้งตรงแน่นซะยิ่งกว่าครั้งแรกซะอีก ผมต้องขออภัยครับที่ลืมไปซะอย่างสนิทเขาตอบคำถามของคนเหล่านั้นหน้าตาเฉยมัวแต่ตื่นเต้นอยู่ในตอนนั้นนะครับแท่งยามันจะให้ผลในการรักษาอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเรารีดเอาน้ำพิษของเจ้าตัวหกขาที่มันกัดใครก็ตามมาผสมกับตัวยาแท่งนั้นด้วยซึ่งมันจะทำปฏิกิริยาเป็นเซรุ่มในทันทีเมื่อผสมกับยาสมุนไพรแท่งนั้น ครั้งแรกผมกับบุญคำเอาแท่งยาแตะติดไว้เฉยๆมันก็เลยไม่ได้ผลครัมนี้รับรองอีกครั้งครับคริสฟื้นแน่นอนครับอเมริกันนายจ้างทุกคนมองมาที่เขาพูดอะไรไม่ออกได้แต่ทำตาปริบ ป, ปริบเบลจ้องตาเขาไม่กระพริบพึมพำรอดไรฟันออกมาว่านี่คุณฉันดูดูคุณไปนอกจากยอดแห่งความลึกลับแล้ว คุณยังไม่ผิดอะไรกับคนบ้านะบ้าจริงๆฟังดูแล้วไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยคุณอ่ะนี่คุณเพิ่งรู้ว่าผมบ้าเลยผมนึกว่าคุณรู้ตั้งแต่สอบประวัติผมเมื่อคืนนี้แล้วสิอีกทีเ <c oughs> บลแล้วคุณเวลพิดมันมาจากไหนละพินคิดถามพโลงขึ้นอย่างเต็มไปได้วยความสงสัยสุดขีด <c oughs> ผมก็พยายามค้นหาตัวมันจนพบนั่นแหละคุณ ก็อยู่หลังโขถินไม่ไกลนักนี่แหละจับตัวได้ก็รีบพิส่งให้บุญคำรีบเอามาไงแล้วตัวมันน่ะอยู่ไหนทำไมไม่เอามาให้เราดูด้วยปย่ยการเสียเวลาผมกระถทืบเละไปกระเด็นหายเข้าซอกถินไปแล้วรบพินปดโดยอำพรางความจริงไว้แล้วกล่าวเป็นการตัดบทต่อมาว่านี่ผมว่าอย่าไปสนใจอะไรกับมันเลย สนใจกับคริสดีกว่านะเราดูว่าเมื่อไหร่เธอจะฟื้นกรุณาอย่าซักถามอะไรผมมากๆสมองผมกำลังยุ่งครั้งแรกลืมไปว่าจะต้องใช้พิษของมันเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญด้วยเพื่อสั่งไข้มันก็เลยมึนมนงงงโชคดีมากที่ด็อกเตอร์สแตนลีย์เรียกผมไม่ขึ้นมาดูอาการอีกครั้งเมงขยับปากจะเล่นงานอะไรเขาอีกแต่สแตนลีย์บกมือยับยั้งไว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 กว่ามันจะร่วงพลอยหลุดจากบาทแผลแล้วสิ่งที่เห็นอย่างเด่นชัดก็คือคริสติน่าเริ่มสูตรลมหายใจยาวลึกก่อนที่จะระบายออกมาขอบตาสีดำคล้ำจางลงเป็นลำดับใบหน้าเริ่มมีสีเลือดขึ้นบ้างแล้วเมนตรวจที่ผจรแล้วอึง้งคอแข็งไปอีกเมื่อพบว่ามันเริ่มเต้นหนักแรงขึ้นเชิดพุตกระชิดเอื้อมมือไปจับตัว ความเย็นชืดกลายมาเป็นความอบอุ่นขึ้นทีละน้อยระพินยังวางหน้าเฉยๆ อ, อ, อยู่เช่นนั้นบุยใยให้บุญคาทาหน้าที่ของแกาต่อไปและตัวเขาก็เอ็นกายลงนอนตามสบายอยู่ใกล้ๆบริเวณ น, นั้นแขนทั้งสองไขว่กันรองศีรษะไว้จิตใจเริ่มสงบเยือกเย็นอย่างประหลาดบัดนี้บอกกับตนเองว่าเขาโปรงตกแล้วในทุกสิ่ง ครั้งต่อไปใช้เวลาสั้นเ่าเพียงแค่25นาทีแท่งยาก็หลุดจากแผลออกไปอีกลมหายใจของคริสติน่าสังเกตเห็นจากส่วงอกกระเพื่อมขึ้นลงแบบคนหลับหล่อนเริ่มขยับไหวตัวเล็กน้อยและพึมพำอะไรออกมาในลำคอเหมือนคนละเมือตามปกติแต่ก็ยังหลับตาอยู่เช่นนั้นสั ญ, ญลักษณ์แห่งชีวิตกลับคืนไหมทุกคนเห็นอย่างเด่นชัด อย่าเพิ่งปลุกเรียกเธอนะครับจนกว่าแท่งยาจะหลุดเป็นครั้งที่สามรอให้นอนไปก่อนโดยไม่มีอะไรรบกวนนะครับจอมพรานบอกเบาๆกั บ, กบทุกคนพี่ๆี่คลิกจะอ่อนเพลียมากัหยเนี่ยหลังจากฟื้นขึ้นมาพี่เชิด ว, วุตรบัดนี้สีหน้าแจ่มใสขึ้นแล้วซึ่งก็เหมือนกับทุกคนที่เฝ้าดูอาการอยู่ถามขึ้นขณะที่ขยับเข้าไปนั่งใกล้รับ ก็ต้องดูอาการอีกครั้งละครับแต่ผมคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเดียวเหมือนเหมือนคนตื่นนอนแหละคุณอันนาจของยาชนิดนี้แก้พิษได้เหมือนปลิดทิ้งอย่าว่าแต่คริสเลยผมจะบอกความจริงให้สมัยก่อนนะผมก็เคยโดนมาแล้วคนของคณะเราอีกคนหนึ่งชื่องแง่ทายก็เคยโดนรอดตายมาได้ก็เพราะตัวยาชนิดนี้แหละผมถึงได้รับรองกับพวกคุณตลอดไงว่าเรื่องงูหรือสัตว์มีพิษ ท, ทุกชนิดนะเราไม่กลัว แตงูประเภทที่สามารถแผลตามันตภาพรังสีได้นี่ผมไม่กล้ารับรองแล้วก็ไม่หวังว่าเราจะพบอีกด้วยเขาบอกยิ้มยิ้มแล้วเมื่อถูกพวกนั้นซักถาม<ๆ>ก็เล่าให้ฟังย่อๆว่าเขาและแง่ทรายเคยโดนกัดยังไงมาก่อนแล้วเป็นการสนทนาฆ่าเวลาแล้วแท่งยา ก, ก็หลุดจากบาดแผลเป็นครั้งที่สามภายหลังแช่ชัระลงในน้า เพื่อจะนำมาติดใหม่ปรากฏว่าคราวนี้มันไม่ดูติดซะและ้วร่วงลงอย่างวัตถุธรรมดาระพินพงศ์ศีรษะขึ้นดูเมื่อบุญคำและจันร้รองบอกมาอย่างดีใจเขาลุกขึ้นมานั่งแล้วบอกกระทุกคนด้วยเสียงแจ่มใสว่าเอาล่ะครับตอนนี้เจ้าหญิงนิทรากำลังจะตื่นขึ้นแล้วผมอยากจะขอร้องพวกคุณว่าถ้าไม่จาเป็นจริงๆก็อย่าบอกให้เธอรู้นะครับ ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นปกติธรรมดาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่งั้นมันจะมากเรื่องแล้วเธอก็จะตกใจสําหรับผมบุญคําแล้วก็จันร์ก็เห็นจะต้องขอตัวไปทํางานตามหน้าที่ได้แล้วจะมาร่วมรับประทานอาหารหรือห า, หาหรือด้วยทีก็ในตอนเย็นดรือค่ํานี้ครับลาครับกล่าวจบเขาก็ลุกขึ้นยืนช้าๆพยักหน้ากับสมุนซ้ายขวาของเขา ที่นั่งรักษาพยาบาลมาตลอดระยะเวลาสองชั่วโมงเสร็จทั้งคู่ขยับตัวออกมาแล้วเดินผลักจากกลุ่ม น, นั้นอย่างง่ายๆรายรับินก้าวออกไปได้สามสี่เก้าอเมริกันอาวุโสรวมทั้งคิดและอิสเบลก็วิ่งเข้ามารุมล้อมขวางหน้าเขาไว้ทุกคนมีสีหน้าปิติสแตลลีสวมกอดเขาไว้นิรัิน ผม่็ไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงนะเนี่ยที่คุณกู้ชีวิตคริสติน่าไว้ไดในครั้งนี้จอมพลานเลิกคิวขึ้นโถ่ไร้สาระนะด็อกเตอร์ที่เมื่อวานผมกาลังจะตายพวกคุณก็ช่วยเหลือผมไว้ผมยังไม่เห็นจะต้องขอบคุณอะไรสักคำแล้วเขาขหันไปทางเบลบอกยิ้มยิ้มว่าเบลเป็นนั้นว่าคุณไม่ต้องฆ่าผมเลยนะแทนคาตอบ อิสเบโรโผเขากอดเขาแล้วจูบแก้มโดยแรงนิกพินฉันขอมอบคาราวะและขอบคุณนี้แทนให้แก่คริสด้วยนะและถ้าคริสตื่นขึ้นคุณก็ช่วยบอกทีนะว่าผมก็ขอบคุณเขาเหมือนกันที่ดูแลผมตลอดทั้งคืนฉันจะบอกให้กระพินวันนี้คุณดูสดชื่นแจมใสผิดไปกว่าทุกครั้งนะ ใช่สิเบ <Bear. S 1> ผมแจม่มใสสบายใจมากแล้วก็มีกำลังที่จะพาพวกคุณไปลำบากได้อีกแยะทีละเขาตอบปนหัวเราะคิดเอื้อมมือมาจับฝ่ามือเขาไปบีบกระชับไว้แน่นรับพินคุณน่ะเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับพวกเราเสมอนะสมาร์ทกายขอชมเชยด้วยใจจริงไม่เฉพาะคุณเท่านั้นลูกน้องคุณทุกคนด้วย คิดยังมีสิ่งมากซจังกว่านี้อีกมากที่พวกคุณจะพบซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นจากผมหรอกทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนมาจากเชิดวุษที่นั่งเฝ้าคริสตีน่าอยู่ดังมาว่าเฮ้คริสพอจะรู้สึกตัวแล้วเธอเคลื่อนไหวตัวบอกว่า kiss me please แต่ไม่เอ่ยชื่อว่าที่เธอขอร้องไอ้จูบนะ่ะเธอหมายถึงใคร หมายถึงคุณน่ะแหละวูดเพราะฉะนั้นก็จูบเธอซะเธอจะได้ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายแล้พินป้องปากร้องต่อไปแล้วหันมายังทุกคนที่รายล้อมเขาอยู่ในขณะ น, นี้บอกบนหัวเราะร่าเริงต่อมาว่า <c oughs> ทุกคนของพวกคุณ่ะควรจะไปจูบคริสสกุลครั้งนะครับรับขวัญที่เธอพ้นภยัยแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วไปสิครับ อ้าวแล้วคุณล่ะคุณก็เป็นบุคคลสำคัญที่สุดที่ต้องมาเธอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเบงถามเขาจอมพรานยิ้มนิดหนึ่งเอียงหน้าเข้าไปบอกเชิงสัพพโยกเบงว่าเบงครับผมน่ามาอยู่ในฐานะที่จะจูบคริสหรือผู้หญิงคนไหนในขณะที่ผมยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าจะจูบก็คงไม่จูบให้ใครห็นหรอกแค่นั้น เขาก็แหวกกลุ่มนายจ้างที่ยืนล้อมอยู่เบื้องหน้าเดินตามหลังบุญคำกระจันไปอย่างง่ายๆต่อยหน้าที่ดูแลคริสภายหลังจากการสางพิษของไอ้หกขาให้รกเชิดบุตรและพักพวกของหลอนรพินไพรวันเริ่มปฏิบัติงานประจำตามหน้าที่ของเขาโดยการตรวจตาดูความเรียบร้อยของบริเวณที่พัก และให้พวกนั้นระเตรียมอาหารฟืนไฟก่อนตะวันตกดินระหว่างนั้นบุญคำก็เลี่ยงคำาหาพูดด้วยเสียงเบาที่สุดนายนายตอนที่นั่งบริกรรมอยู่บุญคำเห็นน่ะนายเออเห็นอะไรก็เงียบเงียบไว้อย่าซืือกไปพูดกับใครละ่ะนาย ลูกสาวพญานาคนี่สวยมากนะอุย้ยสวยเหมือนเทพธิดาในรูปวาดจะ้ะเออก็ลูกสาวพญานาคก็เทพธิดานั่นแหละแต่เทพธิดาน่อยู่ในบาดาล น, นาย้าทางจะชอบชอบนายด้วยนะเห็นผูดจาแย่กันอยุ่พักใจก่อนจะปล่อยอตัวนั่นเอาไม้รีดพนะิษเนี่ยจะสือกทะลึ่งนาะตะครม เ็เป็นเทศเราเป็นมนุษย์มันคนละชั้นกันโชคกำลังจะดีอยู่แล้วเชียวปากเสียเดี๋ยวก็สอียหรอกนายบอกนอยดินายใช้กระถาบทไหนนะ่ะถึงได้เรียบนางพยาบาดาลมาคุยได้แบบนี้สนอนว่างี้ตะเ่ากะลิ้มกะเหลีย่ยกระพิงจุปากบาเบาๆผลักหน้าไงไหออกไป้าลึง ล้นกับคนด้วยกันไม่เป็นไรถูกะตะคันแต่ไปเสือทะลึ่งกันนาคีปะเดี๋ยวก็ไม่ทันแก่ตายเชเท่านั้นแหละอยากจะละลายเป็นกองขี้เท่าแม้กระดูกไม่มีเหลืองหนะ่ือไงเมื่อคืนนี่ได้ข่าวาไปย่องดูแหม่มเบล่งกันกนาคีตอีกแล้วเหรหาเรื่องใอ้ถูกกระทึบกันได้สินะ่ะแก่ไมูจะแก่บุญคําเกาหัวอันมีเส้นผมสั้นหยิกขอดหนังหัวอยู่ยิบ โธ่นายเอาอะไรมาว่าอย่างนั้นนิ่แปล ว, ว่าเถียงอะว่าเราไม่ได้ไปย่องดูครับไม่ได้เทียงว่าไม่ได้ดูแต่นายคิดดูใหดีนะตอนนั้นน่ะนายไม่รู้สึกตัวเข้าคันรีทู่เนี่บุญคําก็เป็นผู้ใหญ่คนเดียวที่นายเคยไว้วางใจก็ต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างรอบบ้างพักแทนนายให้ดีที่สุดมีอย่างอะ ขำมือดึกดินคนอื่นก็นอนหลับหมดแล้วไอ้หัวเกรียนกับแม่ผมแดงจูมือย่องไปหลังโคถินหมดมืดเสือสางสัตว์ ร, ร้ายมันพวดออกมาเล่นงานจะทำไงบุญคำก็ต้องคอยเฝ้าคอยดูอยู่นะซิบุญคำเลี้ยวลดไปได้ตามวิสัยกระล่อนของแกระพินไม่อยากจะคาดคันอะไรอีกขยับเท้าแกก็สปริงตัวถอยกห่างรัศมีอย่างทันกัน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 เห็นปกติธรรมดาที่สุดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยและขณะนี้อย่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาพร้อมกับหย่อนตัวนั่งรวมกลุ่มหลอนทอดดวงตาสีฟ้างามจับนิ่งมาที่เขาด้วยประกายลึกยังคงปัดเส้นผมอ่อนนุ่มเหมือนไหมอยู่เช่นนั้นช้าๆทุกคนในที่นั้นยิม้มแย้มทักทายเขาตามปกติเว้นหล่อนคนเดียวที่ใช้สายตาแทนคาพูด เป็นแววปริศนาอันยากจะทำนายดีมากกระพินที่คุณมาร่วมเวลาอาหารค่ำกับเราตามที่สัญญาไว้สตาลีเอ่ยขึ้นเสียงกังวานสังเกตดูทั้งกิริยาและคำพูดดูจะปลอดโปรงโล่งใจเป็นอันมากและทุกคนในกลุ่มก็ดูจะเป็นสุขกันตามอัตภาพไร้กังวลในเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปแล้ว เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปิดบังอะไรกันนะนะกระพินเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยบอกคริสหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากระพินรับถ้วยแบรนดีที่คิดส่งมาให้กิดนิดเดียวแล้วถือคลึงอยู่ในมือยิ้มให้กับทุกคนรวมทั้งแม่ผมทองซึ่งบัตรนี้ดูหล่อนสงบนิ่งหวังว่าคงไม่ตกใจมากนักนะครับเมื่อรู้สึกตัวขึ้น เขาเอ่ยขึ้นลอยลอยรายนี้เยี้ยมน่ากลัวมากครับพี่ผู้ตอบแทนให้กับทุกคนในชุดนั้นคือเชิดบุตรพอรู้สึกตัวขึ้นมาและพวกเราตัดสินใจเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณเธอไม่ได้แสดงท่าตกใจหรือแปลกใจอะไรเลยกลับลุกขึ้นนั่งยักษ์ไหลแล้วก็ถามพวกเราหน้าตาเฉยว่า สะานง่งแสนงโงคนนั้นไปไหนเสีแล้วละ่ะทำไมเขาไม่ปล่อยฉันหลับตลอดไปฉันต้องการหลับชั่วนิรันดร์ผมเกือบตกปากให้เสียละรพินเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึง่งมองหน้าฝ่ายอเมริกันเหมือนจะถามแต่ทุกคนวางหน้าเฉยสแตนลีบ่นออกมาว่าไรสาระหนาบุ ระพินคุณอย่าไปเชื่ออะไรกับคำของเจ้าหนุม่มปากพล่อยคนนี้เลยคริสก็ไม่ได้หยาบคายกับคุณถึงเพียงนั้นหรอกพวกเราไม่มีใครได้ยินอย่างที่เขาโกหกใส่คริสเช่นนั้นสักคนแต่ฉันพูดอย่งงางนั้นจริงๆวุฒไม่ได้โกหกคุณหรอกเป็นเสียงเรียบๆของคริสติน่าที่พูดขึ้นเป็นประโยคแรกนับแต่เขาเข้ามาถึงพรงงานนั่ง แส่นงโง่ระพินทวนคำเรียบๆ เ, เช่นกันคุณให้สัญญานามของผมถูกต้องดีแล้วนี่คริสผมรู้ตัวเองดีครับทั้งงั่งแล้วก็งโง่มันนานแล้วตอนนี้คุณเป็นไงบ้างละ่ะคริสก็สบายดีไม่มีอะไรสักอย่างหล่อนตอบเนิบเนื่อวางแปรงลงกระตะ ควักกระเป๋าเสื้อหยิบบุรีขึ้นมารับปินสะบัดซิปโป้ติดไฟชะโนกส่งไปให้ตอนเป่าดับเฉยๆอย่างไม่รับไมตรีนั้นและจุดไลเตอร์ของตนเองขึ้นต่อกับปลายบุรีเป่าควันสีน้ำเงินจางๆขึ้นไปบนอากาศที่มืดสลัวถามมาบ้างว่าว่าแต่คุณเธอะเป็นไงรู้สึกแข็งแรงดีแล้วไม่ใช่เหรอ ระพินก้มหัวลงตอบอย่างสุภาพครับด้วยความการุณาเอาใจใส่ของพวกคุณทุกคนล่ะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกเรียบร้อยดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินทางต่อกันได้แล้วครับไปสู่นรกขุมไหนอีกไม่ทราบหล่อนสวนมาโดยเร็วก็นรกที่พวกคุณว่าจ้างเชิงบังคับไปผมนำเหมือนนั่นแหละ นรกที่พวกคุณเองปรารถนารับรองครับไม่ผิดหวังหรอก <c oughs> เบลหัวราอฮึฮคริสติน่าหัวราอฮึฮึในลำคอสุปุรีพ่นควันเฉยเฉยแล้วมองจับอยู่ที่กลุ่มควันหนาทึบนั้นเชิดวุจุปักเบาๆ บ, บอกว่าเอ๊ะแม่นี่ฟื้นก็นมาคราวนี้ชักพินเพี้ยนแฮ เบงก็ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยว่าปกติดีทุกอย่างทำไมแบะท่าไตรวนกับพี่แบบนี้ไม่รู้สิคริสไม่ได้หันไปทางใครแต่บอกเบาๆมาว่านี่หยุดเห่าสะทีได้ไม้มรำคาญหูทุกคนในกลุ่มเวนรพินสีหน้าไม่ดีนะเบงเข้าไปนั่งประกบชิดแม่ผมทอง คิดขยี้จมูกแต่สตารลีหัวเราะกรบเกลือนออกมาไม่สนิทนะักเก่าว่าเฮ้ยอย่าไปถือสาอะไรคริสเลยนะระพินก็เพิ่งจะรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองกระส่ า, าจะไม่ค่อยดีนะบางทีอาจจะคืนเชิดบุธที่บอกอะไรกับคุณก็เลยชักจะพันพานรากับคุณด้วยอย่ากังวลเลยครับด็อกเตอร์ในฐานะลูกจ้างผมไม่เคยถือสากรดเคืองอะไรในจ้างของผมเลยสักคนเดียว ไม่ว่าจะกระทบกระเทียบเสียดสีหรือด่าว่าอะไรผมให้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสำนึกในบุญคุณของคริสที่ดูแลพยาบาลผมมาตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับคราวนี้หลอนหันมามองหน้าเขาด้วยสายตาตรง อ, อ๋อรู้ตัวเหมือนกันเหรอที่คริสคุณโกรธอะไรผมเนี่ ก็คุณทำให้ฉันฟื้นมาทำใหม่รู้ไหมฉันเบื่องานครั้งนี้เป็มทีแล้วฉันอยากจะพ้นจากภารกิจสัทีเข้าใจไหมระพินยิ้มอ่อนโยนหล่อนมองจ้องนี่แล้วถอนใจเฮือดีบุหรีทิ้งเอาฝ่ามือทั้งสองขึ้นปิดปลือกตาเอ่ยขึ้นเสียงเบาๆขอโทษ บางทีฉันก็มีอารมณ์บ้าๆที่บอกไม่ถูกเหมือนกันเอาละขอให้ทุกคนสบายใจได้แล้วตอนที่ฉันหลับไปฉันฝันอะไรต่ออะไรไปสารพัดเป็นฝันดีอะไม่ใช่ฝันร้ายคริสเอามือลงจากดวงตาทั้งสองยิ้มกับเขากล่าวต่อมาว่าอยากรู้ไหมเมื่อฉันฝันไปยังไงขณะที่หลับอยู่ คงจะฝันว่าไปพบ B ห้าิบสองลำที่เรากำลังค้นหากู้ระเบิดได้สำเร็จแล้วพวกคุณก็กลับกันโดยสวัสดิภาพแล้วก็แยกจากกันด้วยดีแล้วมั้งคริสพรานใหญ่แท่งทายความฝันของหล่อนออกมาคริสติน่ายักไหลยิ้มอยู่เช่นนั้นเอยตัดเรื่องมาอีกอย่าง เ, เรากินอาหารกันเถอะฉันหิวแล้ววันนี้ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่สุด นับแต่เราออกเดินทางกันมาเพราะเพิ่งจะเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสยอย่างบริสุทธิ์ใจของมัคคุเทศนำทางเราคนนี้เป็นครั้งแรกผิดไปจากอาการยิ้มทุกครั้งซึ่งมันเป็นเสยียมึนซึมแล้วก็เต็มไปได้วยรอยหยันหยันซ่อนเร้นเลสนยัยยังไงบอกไม่ถูกทุกคนดูยิ้มของเขาคั่มวันนี้วันนี้ไว้นะมันเป็นยิ้มที่ทําให้ป่าทั้งป่าพลอยยิ้มต้อนรับเข้าไปด้วยแปลกดิ เคยเห็นโอ้ยพูดรหัสอะไรกันฟังไม่รู้เรื่องว่ะนคิดล่องขึ้นมาอย่างอึดอัดใจเต็มที่แต่ระพินกำลังรำพึงว่าฝีปากเนอะฝีปากช่างคมกริบกินในลึกเรากับแม่ยอดจิงดารินวราริตของเขากระไรชะนี้